ญาโยพระตัวสัตว์ต่งหลายวันนี้เป็นมันจริงกรรมฐานเริมหลับเดือนธันวาคมใช่ไหมใช่เลยถือว่าเป็นวันต้นจะพ่อวันนี้จะแนะนำจะพ่อวิปัสสนาญาณเตรียมหลับคำว่าวิปัสสนาญาณตัวสุดท้ายก็คืออริยสัจ แต่แนะนำเฉพาะตัวเดียวคือตัวทุกเพือ่อทุกคนถ้ารู้ทุกก็ไม่มีใครเป็นนรกถ้ารู้ทุกอย่างอ่อนก็ไม่มีใครไปไปอไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีใครมีมนุษย์ปเป็นเดียวดามหมดถ้ารู้ทุกอย่างกลางก็เป็นพระอริยเจ้าเป็นกลางถ้ารู้ทุกขั้นสุดก็เป็นพระราหันแต่ว่าก่อนที่ ลักษณะแบบนี้แค่ไม่จบเลยอยากจะมาถามพลเมียผู้สวิงจากหลวงพ่อว่าเป็นทำยังไงถึงแก้ไหนเจ้าเจ้าคนมาดึงได้เออเด็กเราเป็นคนมีเสน่ห์จะแก้ไห่เล่าอะไรท่เขาดึงเขามีเสน่ห์นะคนคนทุกข์เรคือคนคนมีเสน่ห์แหละใช่ใช่คนแต่เยอะๆเขาไม่ดึงเห็นไหมเอ้าเมา่อกีงไม่ใช่อะไรเป็นธรรมดาเพื่อนกันไม่เมยต้องแก้ไม่ต้องแก้ ขอเขช่วยก็แล้วกันนะงั้นก็เลยเสือกใส่กช่วยเลยหรอใมีอะไรขอช่วยขอเพื่อกันนะขอได้หมดารางไมอ่ดีนะแหมพูดได้แล้วต้องมาจะล็อกต้องมาขอหวยน่ดิมาดูให้ดุทำไมไม่กล้าเรีนลูกสล็อกต้เก่งโค้ดวยเออดีนะดูดูดูดูดู ท้าเท่าเท่าประเด็นเขาคูณถูกพ่อที่เราจำถูกคือว่าอย่างนี้ขอรับพุณแม่ของเด็กนักเรียนที่รูกสอนสมปัจจุบันนี้อะคือว่าปลูประมาณปลายวัามสิบต่อไปครั้งแรกเขาจะใช้น้ํามูลของพ่อเพื่อมาวัดเกิดเอาไปทามันก็บรรเทาลงไปดีมากแต่ยังไม่หายขาดมีโอกาสไปทุกวัดแล้วพ่อมาะด็นของพ่อก็มีขึ <AL> <as al> ้นเยอะ ทีนี้ปรามาเดือนป้าสผมเลยเอาพู้เป่ายันก่อเม็ดลองที้ดูวงเล็บไม่ได้สุดนะรอสุัวหน้าดูแม่ฝากดีเอาผู้สุด เ, าาดด อ, เอาพู้ที้ก็ปาดไปเรื่อยจนน้ำมานเต้นผาผองต้มีน้ำมันไหลออกมาอีกแต่ว่ายังไม่หายสนทิทจีผูจารณษาก็คือว่ามีคำแนะนำเพิมเติมส้ต่อยแอยากไปหรือไม่ก็ฝาบอ ทำตามนั้นเรื่อยระเขาดูเทนเจเลยนะครับใช่เขาก็ทำได้ผลแล้วนะจะดูว่าคนกินน้มันคลาได้กินน้ามันอื่นไม่ได้นะถ้ากินหมูกินน้มันหมูกินน้ามันต่ตางๆเข้าไปมันจะเพิ่มต้ อ, อรู้วันนี้องแ่คนที่มาอนนันเขาที่ปูกประเภที่หกินน้มันเลยใช่ใช่ใชประเภทน้มันนะเอานี่แล้วกันเดีไ๋ไครับกินเจเลย S <S oh แต่เจปลาได้นะเจีปลาเจีเนื้อได้เจมันหมูไม่ได้เจอกไม่ใุ้น้ำมันน้ำมันใช่ใช่ใช่ใช่ากรูปใหม่ะได้เขไม่ถูกตลอจะเป็นยังไงไม่สุเลยเขาไม่คุกนก่อนเดี๋ยวยังไม่นั่งบ้าปะปะปะปะปะแย่จ้าแก่ยากิน การเรียนหลวงข้อที่ก็ลบอย่างสูงอ่าลูกเด้พบท่านผู้นี้คือลัทธิโพสิทิ์ใช่ไหมวงศุดวัฒนะก่อนแกจะมรณะธาตุตายแครู้วันตายของแต่ของจะต้องตายเมื่อนั่นเหมือนนี้แล้วก็เป็นความจริงจบชีวิตตายก็เป็นทุกข์สามแต่ลราคมลศัตรากลสองนันท ขอบขอบคุณนะลขอบคุณตายวันที่38เลยขอบคุณเอ้ยถ้าเดือนมันมีแค่ส7มเวันเลยไอ้ยังไม่รู้วันยังนี้มีรู้ว่าตายแหนขแหวันมันตายเอาแล้วอนี่ า, เอ า, าเอาว่า 3,8 ี่ไปนที่แปดเปนคนขี้เฉีนถิ่ดไป อาทิตยแปดมาใหม่โดยๆจ้ะใช่ที่แจ็กกามเรียนถามเขาคือว่าอย่างนี้ก็ผู้ที่จะรู้วันตายได้นั้นต่ต้องปฏิบัติธรรมะถึงขั้นไหนขนาดไหเออท่าตอบไปได้แน่ขึ้นใครพวกมันเอางี้แล้วกันถ้าติดต่อกอาเทวดาได้สมได้พระอธิยะได้รู้วันตายแน่ ไอ้เนี่ยไงงโพให้ตนานน่าจะบอกเสร็จไเสร็จก็ให้ทั้งตัวเลยเสร็จทาไมเรวยรยทำไมอเกราะหยตอนาเลยนะบางทีายจะต้งใสดีขนาดนี้ตายแล้วก็สบายมาไหายใจนี่้ผายเนี่ยมาะาชานรเศษพระภูมิลวงพ่อจิตรลัาโศ ต้องนอนภาวนาหมายเะไรต้องนอนภาวนาบ่อยครับงประมาณสองสามพอประมาณสี่สองสีสามจะร้สึกว่าร่างกายเนี่ยนะมันจะเพิ่มหมอกไปข้างนอกพอคิดก็จะขึ้นไปตะโกนมันพุงเรไปไวมากครับพอคิดว่าจะไปข้างล่างมันก็เากไปทันีแต่เป็นที่นากะไดมันไปอยู่ไปนานแลวก็หลนุบมาเข้าล่างี พิจารณาเพียรถามก็คือว่าหลวพ่อจะมีความแนะนำปฏิบัติอย่างไรรูปจากไปอดูนานๆอย่างข้าบนหรือตอนหัวละเท่ากี่ปีอ่ะเอาเอเป็นปีๆให้ใช่ล้างเผาเสร็จเรื่อยใช่อะไาระยายาวก็เผาเสร็จเลยใช่ให้ตั้งเวลาเจริณาปารุสติอันแรกสิบนาทีไม่ยอมนึกถึงอย่างอื่น ต่อไปยี่สิบนาทีไม่ยอมนักหนึ่อื่นให้มันช่ำต่อไปสามสิบนาทีไม่ยอมนักหนึ่อื่นให้มันชินอยังนี้จะทรงตัวได้อต้องตั้งใเวลาักใช่ใช่ใ่ต้องฝึกตั้งเวลาโอ้ยนี่ก็เป็นปัญหปัญหาปัญหาเอานี่บอกว่าถ้าช้าลงพ่อทระรัอย่างผม ได้จินหลพอโดยประการวันมาหลายคือนก่อนจาไม่ได้แต่แล้วว่าพุทธบริษัทที่มาจะไปใ น, านปงานปีของานปีเขาขอสาสีนะั้นกว่าจะมีพระอะไรเร็จมาสัางว่าให้ทั้งขาหมูต้มยำใส่ขัาวปุ้กลูกจากจะเกย็นถามว่าพระองค์นั้นจะนั่งทังดับที่เทไหรลูกจะได้ต้องขาห ม, มูไปถวายโลง นางอัด거든거든นดับไม่รู้สอะไรเลยเพอให้เล hey, ี้ยงหมด้หมดวัดหมดเรื่องาไปเลยใช่ใไป่ตองงรองค์ก็สายมันระตายเอ้ามารับใจเลยอะไรขาผมขาผมต้องรับสตนี้ปหลาดมากที่จะให้ดีเราลองอฟต์ต้มละลายทอยใช้หลงก่อนนะดีจะแน่นอนกว่าอี่มาเท่าไหร่รับหมดเหรอ คงยกทรงมาอะไรรลบหมดเอาว่าจบไป็นของดีหมดนะแล้วบอกว่าอะไรเรืเท้าหลวงข้อสุโขทัยสูงเวลาที่รูกภาวนาเจริญสัมราสัมพุจิตเจริญสมงูจะรู้สึกว่าเห็นดวงกลมกสีขาวสลับสีดรู้ว่าว่าู้ เข้าทางหน้าปากบางทีก็เข้ามาคุณทาศีะสลับสัไปสลับสลัมาลูกก็สงสัยเงัแต่ว่าไปรู้เป็นอะไรจะเรียนถามลงพ่อก็ม่เ อ, อ, องใจแต่ก็ต้องถามยดีเพราะไม่เข้ า, ขขาใจความจริงหน้า ก, กินแล้วนี่ไม่ถามเราหสั่งถ้าอกกอบอกหน่อยก็ดีท่เขาเป็นใจหลวงพอเอางียลยกันไอ้เา่เป็นนี้ไม่ข้อนานปานุสติขณะนั้นจิตเริ่มเข้าวิจารณสมาธิตั้งต้น เริ่มเข้าขันดีแล้วนะเริ่มเริ่มดีใช่ใช่ใช่อ้าวแล้วพ่อดูแลจังสงร้อยเราก็ติดแล้วลูกจะมีจิตใจใฝ่ในสุขผลเป็นอย่างมากก็ทำบุญก็บริจาคเพื่อสงฆ์อยู่เสมอเสมอปเสอิฐประเสริฐไม่ใช่ของปนะเออไม่หปไเห็นหน้าบอกไง อาไปพบท่านในรถที่กระับมาตั้งมาเรียลัยโดยมังคุโวางไว้แทเดียวจิตนะคุณสนคิดว่าุกใสคงไม่เข้าวัดแง้แงเพราะคิดเพาะนั่เองใจลูกตอกทำทีรู้ว่าตัวเองเร็วจับติงตัวก็เลยขอพุทธิมหลวงพ่้อีกอยใส่ลมโรโต้กิการมจิตชั่วของลูกขอหลวงพ่จิตลใจอยากให้ลูกมีจิตเป็นอางนั้นต่อไปเลยจบอา เดาว่าคิดดีแล้วนะคิดดีแล้วครับใช่รายการมั้นเขาเได้ไลแทนวัดเขาคิดถูกแล้วเนี่ยเพราะอารมณ์ี้เป็นอุศนยังคิดแบบนั้นไงเป็นอุศนเขาโดนใจไม่เร็วนะดีอแต่ว่าก็ไม่เป็นะแค่ไปไล่ตัดสายตัแกบก็ วัดชิดแค่อเระโหดโัษเป็นป่าปีไม่ได้เราก็ไม่แน่นักมั้งไม่แน่ครับผมไม่แน่ครับผมนแม่ไพร่เพืออาหารหมาแมวขวายระเจ้ากำลังท่องการอยู่ตอนถ้าราชการทราบ้ารลวอจรับจากหลวงไอ้อาผมก็ขอุณรายวิทยไทยรีบเสออายุเจ็ดสิบสองปีโควยกระโดดมะเร็งลำไส้ เขาฝาศาส่อโรงพยาบาลสี่ราษเมื่อเดือนวฤษภาเขาได้ฝากปัจจัยมาสวายสังฆราชลูกใหญ่ต่างต่อเขียนสังฆราชเขียนเองอ่านอ่านดังเขียนว่าว่ายกของซื้อนะซื้อนะสังราชลูกใหญ่คนแสดงขอคนไทยที่สังฆราชไอ้ลูกเล็กลูกใหญ่ อ่าต่อเลยนะถ้าสารกราบชื่นใจจะรู้สึกกับหลวงพ่อเออข้อต่อแล้วนะอ่าคุก็คงรู้ว่าข้าต่อให้เสียหายผลก็สร้างใจจะไ่บอกเสียโมกนาขอให้เสียให้เกครู้สึกข้อต่อจะ้อเอิตองเอิรนยังไม่ทันจะไปบอกยังไม่ทันจะรู้สึกใจก็มองเท่งในคนที่สามสิอตอนี้อาจารเรียนสามก็คือว่าผมก็อยากกัรคนหลวงพ่อเราแต่ถ้าหลวงพ่อ แต่วงก่อเขาช่วยไปบอกเสียด้วยว่าอันที่ให้มาห้าร้อยเขาไว้เป็นจริงแล้วนม่ไม่ได้ใชาลเออถ้าเจ้าเดินทางโอ้ต่างกัลากตุ้ใหญ่เลยนะฮึฮนเกิด ม, มาคอยแล้วเราก็ได้ยินต่าันา่างสันลากตุ้ใหญ่ไม่เป็นไรเราแก่ให้ตัางมาใช่ไหมครับไม่ว่าแกได้นในในในบุญแล้ว อ, อ, อย่างเ็วที่สุด ก, ก็ไปสวรสดีแล้วหมายความว่า พอให้ไปแล้วอิจฉาคนที่ไม่ดีที่เจ็บเขาตัดจิตใจจิดตัดแล้วนี่จิตนุศแล้วไม่แน่ธาตุหาจะเป็นสกระเป็นทุกอย่างใช่ ท, ท่่นโธนาด้วยนี่อะไรคาเพียร์ลงพ้อที่เคารพอย่างสม อ, อ๋อคือว่ามีผู้มีอุปการรักคุณกะลกเคยสมเพราะมาได้ดีตลอด บังเอิญคนที่สามมายุแย้งให้ลูกต้องแตกตืนใจกันไม่เข้าใจกันทําให้ลูกสงใจเป็นอย่างมากถ้าลูกจะถวายสักการูทิศให้อีกคนที่สามมันยุบโดนให้มันละลายมันคุณไฟน่ะจะได้ไหมจดจ้าเออดีจะได้ไปไหว้ดีจะเป็นเทวดาใช่เป็นเทวดานางฟ้าที่มายุ่งหน่อยอะไรนั้นดีตกใจ อ๋อคนเราที่เกิดมาชาตินี้คือต้องมีเรื่อปัญหาในสายของเขาเป็นรูปแใช่ไปหลังกันอีกหลังจะไปด้วยล้ำาำด้วยอะไรนะให้มันจะตามมาดกหลังกานผ่านไปอ่กลาเท้าหลังข้อที่เคารพอย่างสูงอะไรยเงออลูกมีพระขององค์หนึ่งตั้งใจว่าจะนำมาปิดพร้อให้สวยงามเป็นที่เจริญตาแต่ต้องเจอในขนาดที่แก่ออกนั้น รูสึก็มือจะแรงไปหน่อยแรงแต่จุดกระจามันเล็กนิดน้อยโอ้หกใจมันสบายใจไปอย่างมากแจะทิ้งกับจะไดยจะไว้กรอบัวว่าครอบครัวจะแตกแยกก็เลยมาฝึกบารมีหลวงพ่อว่าจะทําอย่างไรดีเจ้าพักไม่เป็นไรก็ไว้ได้เอาไว้ไม่ไม่ไม่มีโทษใช่ใช่ใช่เนอะโอ้ยนี่ก็สบายใจที่ไม่เป็นไรนะ แก็ทำไมแน่ใจจหว้วาดเลยได้รับถึงต่อไม่ร้านะวาใจสีอะไรอย่างโอ้โอล า, างข้านมัสการหลวงพ่อที่รบจากสงฆ์หรือว่าอย่างนี้ยูบกเป็นคนพ่อไม่ดีมีคนหนึ่งใกล้จะตายได้มอบมรดกให้ไวมากพอทุกวนพอให้ไวไม่นานแค่ก็รีบตายไปเลย มีละโชคดีแล้วให้มรดกทีน okay, ี้เกิดมีความมรดกหือมีความดีของท่านก็อยากจะทำบุญทำบุญสมทบแทนไปให้เพราะว่าได้รับมรดกไวมากอยู่เรื่อใาญจะศึกษาแลวงพ่อว่าจะทำบุญประเภทไหนจากไรถึงจะผมกับที่แกได้อุษบาทให้ไว้ขอรับเอาให้ดีนะถ้ามากพอสร้างโบสถ์ได้สร้างโบสถ์ทีก็ระทานด้วย ส้างไมมากถ้าสร้างหมดไม่ไหวเราสร้างอยู่พระประธานแล้วก็ทอดกระถินใช่แหมคนไข้าหน้างาาลราโกน้ํานักนะีดินใกระดเลยนะก็ดีแลวนะทํามาก็สาหไปไม่ไมมากสาปนอะไรปลาท้าวลก้คือล็อกจัโหลกพันาสายบ้านและดินอยู่ มีความตุ้มใจเป็นอย่างมากคือปรากฏว่ารายได้มันไม่เท่าเลยมีแต่รายจ่ายลูกได้บนพมหลวงคุมพ่แล้วขั้นกระเถิบพ่อทำข้ามาหาลาภแล้วขันนิงลูกบอกพระพุทธเจ้าที่พิสุทิเทพว่าตาตรงขั้นก็ไม่มองไม่พูอะไรเลยนี้ลูกตั้งใจว่าพูดกระพ่อมดีกว่าเพราะกรอมพูดได้ คือว่าขอขอให้หลวงพ่อพูดไว้ยังนี้ขอให้หลวงพ่อไว้พรถัาตอนนี้ไปขอโูกเจริญเจริญมีเงินมีเงินเข้าอย่าให้เดือดร้อนเหมือนปัจจุบันนี้เลยเจ้าพ่อเขอ้พูดอย่างนั้นเลยเออเาที่กว่าขอให้รวยมากๆดีกว่าง่ายๆเออความแตกนะคอาดีน่าจะรวยกว่ารวยน่าจะจนกวงาจนน บอกว่าาวยให้ตลอดครับาเ้าลวก็สรุปสูลูกตั้งใจจะขึ้นบ้านใหม่โรยโดยลูกจเข้าซอยสายรมบ้านจะลมเปิเพื่อไ่เป็นสิริมงคนแก่บ้านไม่ทราบว่าสิ่งไหนอย่างไหนจึงจะเป็นสริมงคลแก่าที่ทุกอย่างที่ทุกอย่าง อะไรก็ได้แล้วครับอะไรก็ได้นี่นี่เขาจะเช่าชอยสายลมมาเขาจะเขาจะเช่าซอยไปเสร็จเช่าบาอยู่เสริมด้วยไม่คิดวังถ้าได้ได้ได้เกิดมากกันควาที่ผมผมจะหมายถึงว่าวัดถกเนอยาวอาตี้ที่ว่ายันแดงหรือว่าม่วงปาน ขอประกอบเพศสภาพใช่ต่อผู้ชายสงครามจะขอประกอบเพศายเมาใช่สองอย่างนียนะเป็นบ้านใหม่หรืออะไรง่ดีเลยนมกไฟไม่คยชอบบานใหม่อันไหนอันแดงนะอสองอย่างสองย่างนะเขาอ่านวันนี้นะเอาคอยไปเลยบาแล้วทีนี้ก็มีวงเล็ไหมว่าลูกตัใจจะขอนิมนต์ายลของพ่อไปเป็นประธานในงานนี้ เอเป็นการกระโดดและประหยังเศรษฐกิจขอให้ลงท่อไปแล้วก็กลับเองโดยไม่ตองเออเฮ้ยใจที่ฉันมีหรือเปาไม่รู้เอาไม่ดีกว่าที่บนเรพก็จะจ้าดีกว่าเราไม่ไดจ้าเลยนะครับใช่แต่ไหวก็ท่านหรือว่าอะไรเรากินไม่ได้ตีนแกใจสะกดนะไม่มาไม่ให้อะไรเลยให้กลับเองไปเลยเออขอเอ อาลายนี้บอกว่าเวลาพระหลวง่อมารับำสงวันที่ขึ้นไปในชการระาตุตรวันตกหลวงพอวงหวงเสร็จเจยบร้อยแล้วหลวงพ่อเลยพูดว่าเออมีคนหนึ่งนะอาจจะไปไม่ได้เพราะว่าอาาศในนพานไม่ได้เพราะว่าชอบดินม้าอยู่ผมขอบอกได้เลยว่าคนนัไม่ตื่นไฟที่แน่ผมเองในที่ขอ วาเราพเพราะไม่ได้ตื่นใจนะนี่แรงเลยผมเลยเพราะปกติเนี่ยผมตึ่นเป็นประจําเลยนะครับแหมทาไมพ่รู้ได้ทั้งนั้นจะไม่ไม่ได้บอกเลยอ่าที่นี่คืออย่างนี้ที่จะถามเขาว่าเนี้ผมขอบอกรลวงพ่อว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะขอเลิกหึ่งและจะขอตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติข้อเพื่อไปพุทธิภราดี้ เราก็จะเอาโขกอีกเำมาอยตรงแล้วไห้โกพอล้ก็ขาดไปช่ไหมหวามวาไม่ต้องโขิกรรมีผลแน่นอนไปได้อต่เขาเลกได้นะเขาเลิกไปได้ไปได้แค่แค่แค่แค่แค่แค่แค่แค่แค่แค่แค่แค่แคแค่นค่แค่ดค่แน่แค่่แค่แค่แค่แม่แค cool ่แค่นค่แค่แค่นค่แค่แค่แค่แค่แค่แค่กค่กค่แค่แค่แค่แค่นค่แแค่แค่่แค่ค เนอยเียาดีหน่อยเลยมันเป็ปาแค่หนาวะไทยอ่ะนั่งรถทันที่านรถแอรไม่ายนะต้องทัที่โหสารภาพกันนะต่อไปทางราีแลวดีแล้วมล้วเรจะเดนต่อไปนี่เลิกกันน้ลยราคาโรงก็จะลดอย่างสูงอย่างนี้พอที่ถูกสาวจะไปเมืองนอ ไปอเมริกาเพราะจะมีแฟนเป็นพลังไปได้พลักลูกไม่รู้จะเอาอะไรให้ไปก็เลยรีบเอาอะไรเอาปูพู่ชนะสับห้ยันแดงที่เลี่ยมพลาสติกเรียบร้อยจากบอลกระลมให้แกไปเพื่อจะได้ต้องกันแต่น่าก็ได้ว่าประหารหมาบมา้าเลยมอบให้เมทันทีนี้ผมเจดีฉันได้สาว ก็อยากจะเรียนถามว่า เ, าาง เ, ง ห, าาเหลือผู้พุทนะจะสามารถคุ้มครองหนึตกพอหามากหรือาเะนะ่งสมัยที่มีคนนี้เช่วยจะหาได้เยอะอช่วแน่นะอนปลอดภัยทุกคนคคแต่ว่าของคงน ก, จก็จพกอยงใช่เช่ใช่ไม่สบายใจมนี่ว่าจะไปไนจะต้หาากอาเดียวยิเขาบอกว่า ป่อหลวงพ่อเลี้ยกังสูงประมาณเดือนที่แล้วลูกพ้องเสียไม่สบายตายบุญจระรูปราดเหมือนหลพอเรียบเลยทีนี้ลูกไปลูกหรงพ่อเวลาจะนอนลูกล ก, ล ก, ก็ต้องภาวนาฝักชีกัรมะประทัทาตีก็อินทาสูงสังพอท า, ทานขจะเคลิ้มไฟตามผลว่า มีผู้หญิงประมาณสามสิบโทเศษเลยจะได้เข้ามาหาลกูกหนึ่งในจตุนวนั้นลูกมีความรู้สึกขึ้นมาคิดว่าต้องเป็นแม่ของลกูกแกก็มาบอกว่าลูกก็เลยไม่สบายมากเลยเสร็จแล้วแกก็เอานมมาลูบหัวก็ตามผลว่าเมื่อมีลูกมีความรู้สึกขึ้นมาพวกอาการที่เป็นนั้นหายราวกระเปิดซึงที่เรียนมานี้ไม่ใครอะไรอื่น อยากจะตอบแทนพระคุณของท่านแต่ไม่รู้ว่าจะทำบุญประเภทไหนถึงจะเป็นสือ่อปูุกใจขทาดฟาจค่ะโซ่นางฟาลนาง ฟ, า, า, งฟาแม่ผู้หญิงก็ไปนังว้าแล้แน่แน่น่นเ่อดีสบายธรรทานนี่ที่มีรูุ้รูปแสดงกายอย่างนั้น ดูพาารันนะโรคภัยเปเดป็นบางอย่างตัวดาอาลักดิใช่ใช่ใช่ครับผมก็้ัทันทีเลยนะถ้ามีโอกาสที่สัาเขาได้ฉันช่วยทันทีเฮ้ยนี้ต่อไปโรงาบก็แหม่แย่เลยะถาทมมาทุกคนเนี่ยได้ป็นป๋างยังไใช่ใช่อันนี้กระบอกดจแม่เป็ลูป็มานะที่อว่ากาพาวนักาการหลวงพ่อที่เคารพอย่างหง อพระปรมาสลีล <dade> <magazine> ิกธาตุเดีพระธายุเดีลูกมีความรู้สึกว่าจะต้องมีเทวดาปกปักรักษาเป็นแน่ที่จะเรียนถามวันนี้ก็คือว่าลูกอยากจะสนองพระคุณท่านที่เท้าพระปรมาาลีลิกธาตุก็อยากจะทําบุญบรรพุส่วคิดไปให้ลูกคิดว่าสารอาหารอย่างเดียวจะไม่พอแก่ความต้องการมีอะไรที่จะเพิ่มเติมจริหรือเปล่าเจ้าักจะจังเดินอะไร ขอกระตังก็ได้เหรอกระตังด้วยก็ได้ขอกระตังด้วยก็ได้เตัมเติมไงเล่าแต่เป็นเทพก็เ่นะแต่มีฟ้ากระตางอยู่แม้กระทั่งเทวดาที่เขเลงมสาริตอ่ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไงเขาเข้าลงมาช่วยเขาเข้าเราด้วยเขาเข้าเราด้วยโอนี่ก็จะป็นเกอรต่อไป ครับเวลาจะเดินก yes. ็ทรสมาคือนั่งสมาธิไม่ทราบว่าเป็นเราะเหตุใดลูกจะนั่งได้ไม่เกินสองนาทีแล้วมันก็มีอาการทลื่นตานบางทีก็เกิดความโกรธบางทีบางทีก็จิตคลุ้นลอยบางทีจิตก็ออกผู้ว่าไปข้งนอกเอ่อที่จะเรียนถามอันนี้ก็คือว่าลูกอยากจะนั่งให้ได้ก็จะน้อยมาหรือสิบนาทีแต่ก็นั่งไม่ได้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุได ขอหลวงพ่อแนะนำเรื่องเจ้าค่ะอยาไปเรื่องแนะเรื่องธรรมดาธรรมดาคนที่เริ่มฝึ ก, กจิตเยิบุ่นวายให้เราไม่ดีให้นับลมให้ใจเข้าออ ก, กให้ใจเข้าใจ อ, าออกนับเป็นหนึ่งให้เข้าออกนับเป็นสองสเอาแค่สิบครั้งถ้าพายในสิบครั้งนี้ยังคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกมาตั้งต้นใหม่ให้เสร็จถ้าไม่ใช่จะชิน ไปใช้อนาภาแล้วนะครใช่ใช่อนาภาในการพุ่งสรางโอ้เคยตรงเลยครับเคยตรงเลยนะแล้วก็ครับฉันเบื่อโลกแล้วเกินอยากจะตายวันายพวกมึงดูแล้วรอดไปก็ราะไม่กลัวแล้วจะวางตายแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอารมณ์แบบนี้ตายจริงๆแล้ว ไม่ ร, รู้ว่าจะไปล่างหรือไปบนก็เลยอยากมาถามหลวงพ่อว่าเมื่ออารมณ์จิต่างนี้เกิดขึ้นเราควรจะอธิษฐานแบบไหอย่างไรเผื่อว่าตายจริงๆเราจะได้ไปลงนรกไอ้ชยว่าฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ตายฉั<อ><ห>นเหื่อยแ้านเนี่ยเลยเอางี้ดินึกถึงพระพุทธเจ้าไปเฉพาะาาเอาพุทโธองค์ใดองค์หนึห่งก็ได้นะวางเข้ า, า น, นึกจำภาพท่านมาจาไว้ อา uh, ตายอะไรไปขบเหมอนั้นเอาแปะนี่เลยเอาแปนี่เลยจ้ะต่ไปอย่างง่ายที่อารมณ์หนึ่งตรงนั้นเขาตอบเลยนะอารมณ์หนึ่งไป็อย่างนี้เจ้าค่ะเวลาลูกทาบุญก็ดีเอาไหว้สักการก็ดีใจมันเฉยเฉยไม่ดีไม่ดีร้ายไม่กิมไม่สบาย คล้ายๆาว่าทำสักแต่ว่าทำํำอย่างนั้นแหละอารมณ์อย่างนี้ลูกความไม่ดีแต่ลูกก็แก้ไม่ได้เพราะมันเป็นในสัยมาตั้งแต่เด็กมาหน้าอกาสบัดนี้ลูกขอบาลีหลวงพ่อต้องช่วยหลวงพ่อจะชักเถิดเพราะเต็มว่าทํา แ, แล้วแต่ไม่เต็มไม่เต็มหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำโอท้ทาแต่ไม่ยินดีก็จะดีกว่ากี่เฉยๆก็เป็นสมเต็มเต็มเต็ม เ พ, วาพานนาราะว่าสวยน้อยเขาหน่อยเป็นนางฟ้าได้แต่สวยด้อยเขานิดหนึ่งไอตัวยินมดีตัวยิ้มเนี่ยทาไม่สวยมาก<อ>จะไม่ดีนะเวลาถวายพรานตอง ย, ยิ้มยิมนะอะและยิ<อ>้มจ้า่เงียบอะไรไปว่าพ ถวายที่วัดตลอดจะพอแก้ไขได้้าไปที่วัดท้าทุงเนี่ยเขจะเข้าถึงพ่ออาจจะยิ้มจิตตั้งใจยิ้มงเป็นใช่ตั้งใจไว้ว่าจะยิ้มไว้ก่อนพอเข้าถึงเขายิ้มไม่งั้จะยิ้มเมื่อยมีหน้าเราพกน้ําน้ําเาก็ปวดเิวสุทอาจจะเป็นไว่ไยิ้มเวลาทำบุญก็ยิ้มต่อไปเราก็จะยิ้มบ้างละ แล้วก็เอวังก็ไม่โดยลา่ก็หมดเดลายแล้ว